คือผมมีเพื่อนเป็นชาวอินเดียแล้วก็ตอนนั้น เขาบอกว่าเขาเนี่ยทําไมไม่ชอบคนเดียเดียวเลยแล้วก็ท่าทางจะไม่ชอบๆอะไรก็ว่านี่เขาพูดต่อหน้าเอาอินเดียอาจารย์หมาย ไม่อยากฟังตั้งแต่แรกก็นึกว่าผมคงจะเหมือนกันทั้ง <c oughs> เขามีความรู้สึกในลักษณะติดลบไว้เหมือนจะเหมาทั้งก็มามีคนก็ยกเว้นสักคน แบ่งหาจุดโกรธให้ได้เอาละยังไม่พูดว่าถ้าเราจะปอนความโกรธไม่ได้ต้องคอยหาเช่นท่าน แม่งด่าบ่นโกรธไอ้ตรงนั้นแล้วมันโกรธเหลือมพูดก็โกรธเราเนี่ยไอ้ นั่นล่ะไปเอาตรงไหนมาโกรธแล้วโกรธยุติธรรมมั้ยไอ้ที่อะไรโกรธคนไหนมัน คนที่ไม่ชอบทหารก็ต้องเข้าใจว่าทหารไม่เลวอย่างคนที่ตัวไม่ชอบๆคนอื่นๆก็เหมือน ไม่ว่าคนที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็ต้องคิดไว้ทั้งว่าอุดความโกรธไปหมดนะคือคิด 2 อย่างแล้วว่าส่วนที่เราไปชื่น ทำอะไรไม่ดีครับแวบเดียวครับมันมีไอ้ที่ที่รัก<อ> กันเหมือนกันที่ทั่วๆไปอยู่มากอ่าทีนี้ก็มาดูในนะแต่ เราเรียกว่าอนิสสัลลมโดยพูดป๋าพูดตัวมันนะ โกรธสิ่งใดที่เพียงเหตุเพราะประสบกับอารมณ์ ไอ้กะอ่าถามว่ามือปืนที่ไปรับจ้างฆ่าคนเนี่ยความ นะถูกไม่ถูกเขาอาจจะไม่ได้สนใจว่าหน้าตาเป็นไงไม่แล้วกันไม่เคย ออกซะมันเลยไม่ต้องนะเหนี่ยวกายทันทีๆเสร็จแล้วก็เดินหิวฝั่งตอนมอเตอร์ไซค์เพื่อนรออยู่ <c oughs> ไอ้ที่มันเป็นอสังฆทิฐิเค้าต้องมาฆ่าเนี่ยเพราะไอ้ความโกรธ หรือไม่ก็สรุปการก็ตอบได้ว่าคนจ้างฆ่านั้น อสังขาริกก็เลยถามว่าคนจ้างฆ่ากับคนรับจ้างฆ่าในแล้วถือว่าคนไหนชื่อ วันไหนชื่อว่าเป็นผู้ขังอ่ะตอคิดให้ดีฮะเนี่ยธรรมะฮะทั้งคู่ ลงมือเองไม่ได้สั่งใครไม่ได้ลงมือเค้าก็เป็นเป็นประโยคฮะแม้แต่จะเลยจ๊อกตายเลย ทำใบตั้งใจฆ่านะถ้าสมมุติไม่ดีพ่อแม่ไปโลกหัวใจอยู่แล้วพอก็หัวใจวายตายอย่างนี้เออดีเราจะได้ไม่ ทางวจีประโยคะอย่างนั้นตรงข้อเป็นค่าเองแต่ค่าด้วยความพยายามทางวาจามันอานัตติกาประโยคะอย่างนี้เป็นอสังขาริกนั้นทีเราได้ยกตัว <c oughs> 32 อันที่ 2 คนก็มีไอ้ชุดที่ยังไม่เนี่ยก็ไม่รู้ท่านวางแผนไว้ยังแต่คนที่ถูกรับเจ้าไว้พาไม่ได้รู้เรื่อง แต่พระเทวทัตเองนั่นเป็นอสังขาริกอย่างชัดเจนรุนแรงแม้จะเนี่ยใช่มั้ยพระพุทธเจ้าคนอื่นๆที่ข้างเป็นแต่แถวๆเนี่ยท่านลับปิดหมด ในกรณีที่เรียกว่าเกิดขึ้นด้วยอํานาจของอารัมมณูปนิสสยะ เพราะว่าอารมณ์โนปนิสยะปัจจัยเนี่ยหมายถึงอารมณ์ที่รุนแรงจะทําให้เป็นอสังลิกหรือสังขาริกจะต้องโยง แต่ว่าถูกวัตถุสลายอย่างรุนแรงแต่ไม่โกรธเลยก็ได้หรือถูกวัตถุ <c oughs> ก็เลื่อมสายศาสนาแม่ก็เลื่อมสายศาสนาลูกไปบวชบรรพราแล้วก็ โจรมันก็มามามาปล้นมาขโมยของแกบอกว่าเอาไปเลยขออย่างๆนะเอ่อมันมีอยู่ 2 กําลายหลายอย่างนี้น่ะนี่นี่เป็นลายนึงเอ่อพอนางธรรม คือเป็นคนเย็นบอกจะเอาไปเลยขออย่างเดียวอย่าส่งเสียงเกลียวเจ้าอย่า โจรพวกนั้นก็เลยกลายมาเป็นพวกเป็น อะไรเนี่ยมันก็ไม่เอาถ้าลองเมตตาเค้าๆธรรมะถึงจริงๆเค้าก็มี <c oughs> ตัวอันอบรมมาโทสะอันอบลมมาแล้วอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแรงด้วยมากระทบนะก็เกิดแต่ปากกะตูไม่ได้ไปเกี่ยว ตัวมันมักสอดคล้องเกี่ยวข้องกับการตัดสมมุติตนอ่าถ้าจะยกตัวอย่างว่าคน 2 คิดถือเป็นอารมณ์รุนแรงแต่ถ้าตัวเองเป็นคนทรราชจริตด้วยกัน เออมันมีอะไรที่เป็นรักแค่อ่าความอ่ะท่านก็มาพูดชวนว่าเอ่อ เป็นทหารได้ว่าท่านท่านมาเตือนธรรมะอะไรตอนที่ไปพูดที่เกษตรถ้าแต่งตัวน่ะเดี๋ยวตอน ที่ไอ้คนมาแต่งเนี่ยมันมันเห็นก่อนแต่งชุดตั้งก็ต้องต้อง 2 คนได้ ก็ทําไปตามนาทีอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากผ่านไปแล้วตัวคนโดยเวลาเค้าโกรธขึ้นมาเนี่ยครับใครที่ไปเกี่ยวข้องผ่านมันจ้องจะฆ่า อ่าเป็นอ่าไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งนะมีมาจากเบื้องหลังมันเค้าเกรดเบื้องหลังไกลขึ้นมาเป็นผู้ทําเนี่ย ไอ้ยกตัวอย่างไม่เหมาะสมป่ะนะฮะผมพูดพูดยกไม่เหมาะสมไปผาดถึงเป็นเรื่องเป็นแง่ธรรมะอย่างนี้ก็ทรงครอบเป็นมีสายใหญ่ไปถึงฮะทีนี้ในคําที่เราระบุ คือเมื่อกี้ก็แปลว่าเสพบ่อยๆที่เรียกว่าเสวนาชภารณังคืออเสวนาชภารณังที่มันทําลงค่ํากัน โชวนะจริงๆมี 7 นะชวนะชวนะเนี่ยถือว่าเป็นอเสวนะปัจจัยไปโดยเนี่ยมัน ส่วนนึงคือส่วนการตีความอารมณ์อีกส่วนนึงคือต่างไอ้ตรงนั้นน่ะเรียกว่าชวนะที่ที่ เข้าใจแล้วรู้สึกถึงที่สุดถึงอารมณ์นั้นแล้วในและที่ถือเอา ต้องการรับอารมณ์ในแต่ละครั้งคล้ายๆเหมือนกับเราเราฟัง แต่เมตตาเตะกับมวลเสือกับบักถ้าทําอย่างนี้ทุกครั้งถามว่ามีการซ้องเสพมั้ยมีการ เพื่อให้เห็นว่าไอ้จิตเนี่ยมันส่องเสพกันเป็นขณะๆหนักนะ นั้นไอ้วิถีจิตแห่งฌานะจิตจึงเป็นประตูประตูกิเลสหรือประตูความชั่วและเป็นประตูของบุญ บ่อยๆนะการเสพบ่อยๆการเสพบ่อยๆนี่ล่ะครับจะมีผลต่อความเป็นอสังขาริกจริงมั้ยฮะเพิ่มกําลังเองฮะไอ้เสพ เป็นตัวที่ไปทําให้เกิดความเป็นปักตะได้ ความได้พันธะทั้งอารมณ์หรือพันธะกับอารมณ์กับเนี่ยนี่จุด นิเสพครั้งแรกเนี่ยไอ้ๆโกรธๆฉุนบ่อยๆผิดใจบ่อยๆขัดใจบ่อยๆ ไม่ใช่สำนวนทำมากเป็นสำนวนเดียบการตกปึกระหว่างพันธะคืออารมณ์อารมณ์ตันนิสัยเนี่ยมันเกิด ลำพังตัวความโกรธเองเมื่อสั่งสมแล้วมันก็เป็นสันดานใช่มะด้วยเนี่ยเวลาเราพูดถึงสันดานโกรธเนี่ยมันเราจะ เหมือนเป็นอุปนาหะคือผูกความโกรธนั้นไปผูกพันไว้กับ อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ถูกโกรธตอนเป็นเหตุ ไอ้ไม่ชอบต่างกันคือไม่ชอบโดยหน้าของโทสะแต่ไม่ใช่ไม่ชอบโดยหน้าของจิตอื่นมีอยู่เหมือนกันนะแต่ในนี้เราพูดถึงเอาเฉพาะโทสะเราก็เลยเกิดความไอ้ไม่ชอบโดยโทสะก็คือว่าเราพบสิ่งใดที่เราเคยเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ชอบอีกนั่นเป็นความไม่ชอบโดยโทสะที่เราทําสมไว้ เราไม่ชอบเราอะไรไม่ชอบก็ยังไม่ไม่ชอบมันก็ไม่โกรธอ่ะไอ้ตรงนี้ พระองค์นี้เราไม่เลื่อมใสมันติดลบนะใช่มั้ยแต่เวลาเราพูดออกไปไม่ได้แปลว่าเราเราลังเกียจคําว่าไม่เลื่อมใสเนี่ยนะแต่ที่คนบางคนเขาพูดไม่เลื่อม เรเราก็พูดว่าไม่เลื่อมใสแต่เมื่อรับแล้วไม่ชอบโดยเขาแปลไม่ชอบเลยนะอันนี้ก็ก็เหมือนกันว่าเวลาที่เราบอก แล้วก็ไม่รู้นะนี่วันหลังต้องไปถามท่านที่รู้อะไรลึกๆดีมันไปทําอะไรมันมายังไงเห็นปลา ฉักรสรามไมค์ก็ไม่ชอบแล้วครับบางคนก็อาจจะชัด แม้แต่กําพู่กําจาในบางเรื่องบางราวบางสถานการณ์นี่มันเช่นไอ้รถเกตสําหรับอันนี้ เป็นตัวเหตุมาในฐานะเป็นตัวเหตุนสนัวนปัจจัย แล้วก็มีอาเสวนะหรือพูดให้ชัดที่เป็นผลออกมาด้วยประกตูหมายถึงโทสานิสัย นะฮะคือนิสัยโกรธแล้วก็อารามโนปนิสัยนั้นมาประจบกันก็เป็น อสังขาริกหรือสังขาริกแต่จะเจียเห็นว่าความโกรธเวลาเราโกรธได้เราก็โกรธได้สรรพัตตรัพันอารมณ์ ในคัมภีร์เวลาแบ่งท่านจะเอาเวทนาเป็นตัวหลักก็เวทนา โกรธภาวะนี้ทะลมบางครั้งเราก็โกรธเพราะสุขคือในสุขเวทนาโกรธในอิลหลมที่เป็นของเนื่องกับสุขเวทนาบางแต่ว่าในทั้ง 3 อย่างนี้ถามว่าอารมณ์ใดเป็น กับอนิตาลมนี่คือเป็นอารมณ์แสดงของความโกรธที่แท้จริงส่วน คเวทนานั้นเมื่อเกิดกับตัวเองเราก็จะไม่ชอบเนษาลมที่ได้กับตัวเองเรา ที่ทําให้เกิดความกรุ่นร่างกายที่มาทําให้เราเกิดทุกขเวทนาอ่าก็ดี และคนที่เราไม่ชอบถ้าเกิดสุขเวทนาก็ การโกรธในอารมณ์ 3 อย่างเนี่ยครับที่มันออกมาเป็นกรณีที่ๆของ ก็อะไรเพราะเราน่ะไม่ไม่ชอบคนที่เราเกลียดดีๆเราก็เลยอิจฉาคนนั้นเมื่ออิจฉาคนนั้นเราก็มุ่งปาทุสราย พฤติกรรมในลักษณะที่ว่าเอ่อคนบางคนที่อิจฉาเนี่ยก็อาจจะทําร้ายอารมณ์หรือทําลายอารมณ์ที่ตัวเองเห็นว่าจะตกแก่คนที่ตัวไม่ชอบนะไปทําร้ายเค้าเพื่อไม่ให้เป็นประโยชน์แก่คนนั้นอ่าผมยก ในในทางเช่นไอ้ที่ให้พี่น้องอีกคนนี้พ่อแม่เค้าแบ่งให้พี่น้องอีกคนตรงตัวตรงตัวให้ดูกัน ไปให้กับอีกพี่น้องอีกคนที่ไม่ชอบมีใครคิดด้วยกิเลสพฤติกรรมมีแนวกับแรงอ่ะแทนที่จะเก้อก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ยกนะครับก่อนหลัง ยกต้นหนองหม่วงมาไว้ในที่ตัวไม่เลยหาทางออกด้วยกันโค่นทิ้งเลยทํา แต่เวลาคนนี้ที่เขาคิดด้วยอํานาจของของกิเลสเนี่ยนั้นเค้าก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วเราจึงพบไอ้พฤติกรรมทําลายในลักษณะ ในนั้นตัวโทสะที่ศรคตไอ้ตัวอิจฉามันก็อารมณ์โทสะมันก็ต้องตามอิจฉาไปแล้วก็ต้องไปทําร้ายอารมณ์ เป็นอย่างน้อยด้วยวาจาเป็นยิ่งขึ้นไปด้วยการแสดงออกทางกลายเป็นที่สุดด้วยวาจาเป็นยิ่งขึ้นไปด้วยการแสดงออกทางกายเป็นที่สุดอัน คนมีแล้วโกรธในอารมณ์ที่ดีของตัวว่ามันเกิดขึ้นในกรณีที่ชัดเจนเมื่อบุคคลนั้น ลดความคิดในทางพุทธะสลายในในๆเลยก็ได้แล้วเนี่ยครับก็ความรู้สึกขนาดนั้นน่ะปะเอแต่ว่าในความไม่ได้คิดว่าเขาต้องการจะทําลายอารมณ์ ความคิดขนาดนั้นน่ะไม่แล้วและถ้าหากเขาก็อาจจะทําร้ายของนั้นจริงๆได้ใช่มั้ยนั้นไอ้ของบางอย่าง นะก็มีข้อ ขỉnh จากใกล้ๆเรื่องที่ล่านั้นถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องเก่าในเรื่องของอิจฉาคือตนีลาภหรือปทุสสลายลาภตนีสกุลหรือปทุสสลาย คำชมคุณวรรณตณีความสวยความงามตามศรีระด้วยแล้วก็ตณีธรรมะคือความรู้ในธรรมความรู้ ด้วยเหตุที่มันไปตามหลังหรือไปสารคตกับคือโทสะที่สารคตกับกุกกุจจะกุกกุจจะนั้นแปลว่าความเดือดร้อนใจก็โกรธในอิจฉารมบางในอิจฉารมบางที่เป็นของตนเนี่ยปู่ตามใน อ่ะเกิดความเดือดร้อนใจในกุศลหรือความดีที่ยังไม่ได้ทํานะฮะที่ยังไม่ได้ ก็ทําให้เกิดความเดือดว่าเอ่อยงใหญ่ 4 แล้วก็ข้อ 4 คือ ว่าโดยลําพังเนี่ยมันจะโกรธได้ทั้งอิตถะลมนี้ตาลลมมัจจตาลมทั้งของตนและของผู้อื่นได้เรียกเกิดแล้ว นะก็ถูกจํากัดอย่างนี้อ่าเรามาดูถึงๆเนี่ยครับในภาษาไทยๆที่เราจะคุ้น เรียกว่าปฏิฆาณ์ที่เราพูดถึงแล้วก็ได้แต่ว่าความโกรธทั้งในทางความรู้สึกเรียกว่าโกรธโกรธะหรือโกธะบลิงโกรธเฉย ออนไลน์คิดทำลายก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนี่เป็นชื่อของความโกรธที่เรียกต่างๆกันเนี่ยเราๆของมันอยู่ในตัวเสร็จหลายคํา แล้วความกลุ่มใจในสภาวะมันก็คือความอึดเอ่ออึดอาดในอารมณ์ความ ที่เราแก้ปัญหาไม่ได้ไม่เป็นไปอย่างหวังก็เกิดอาการกัดกลุ่มๆมันบ่อยๆกลุ่มอาจต้องออกกลุ่มใจนี่ ดิ้นรนอยู่ในอนิจจารมณ์ก็ดีอิทธารมณ์ก็ดีที่จะต้องเสียบ่อยๆก็อยู่และเรียกว่ากังวลใจความกังวลนั้นเป็นโทสะเหมือนกันใช่ มันไม่ใช่อารมณ์ที่ถึงแล้วแล้วแก้ไม่ได้ปัดอารมณ์ที่ยังไม่ถึงตัวเราเรียกหรือ คนที่กังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเอามาคิดเป็นๆเอาอย่างตอนที่สกายแลกจะลงผมเห็นเลยครับหลายบางคน มันไม่นอนหลับไม่สนิทกลัวสกายแล็บจะมาเออเห็นเขาทําหน้าไม่ดีก็เอามาอะไรนักเรื่องอะไรนักเขาจะทําไรเรา เครียดอีคนโทรไปถามที่บ้านว่าไอ้เครียดเนี่ยภาษาธรรมะ ด้วยความเบาความออกกําลังควรอ่ะมันก็เป็นภาวะของอกัมมันตะอะโมทุตตาอะลหุตตาความไม่เบาไม่อ่อนไม่คูณเป็นเรื่องของ ถ้าพูดถึงอย่างอาการที่เราจะอธิบายกันๆในรูปธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความที่อารมณ์ ต่างออกหรือไม่ได้คิดแก้ไขอะไรกันแต่แต่เนี่ยมันเหมือนเป็นพลังของ ปัจจัยของร่างกายเอ่อรูปนั้นไม่เป็นอุตตารูปกับมัญญาตารูปมันก็มีผลหาอารมณ์ไม่ได้ตํานองหาอารมณ์ไม่ โศกิมั่นในลักษณะที่มันตึงน่ะเรียกว่าเครียดทีนี้ถ้าตกใจ ทางวิธีที่เครื่องมีวิธีเรียกว่ามีอาคันตุกะวังเจออารมณ์ ความเสียใจนะเป็นเรื่องความผัดพร่าๆไป แม่พวกเราก็อาจจะมีความไม่สบายใจเป็นบางครั้งบางทีๆก็ไม่อ่าอารมณ์ไม่ชอบใจบาง แค้นใจเป็นแค้นใจกระเทียมใจๆแล้วเป็นความรู้สึกคับแก้ไม่ได้เป็นความรู้สึกโกรธ เขาก็ว่ากระแหนกระแหนเนิบแนมตัวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโต้ตอบอะไรครับก็ได้ หรือกําลังจะทําความดีประมาทได้ทั้งคู่นะประมาทได้ทั้งคู่เอิ่มก็น่าคิด อารมณ์เนี่ยก็มาได้มาทําให้ประมาทใช่มะ 2 ตัว 1 ความอยาก 2 อ่าคุมความ เช่นบางเราเกิดต้องทําให้ดีๆอย่างนี้นะฮะพอตั้งเกณฑ์อย่างนี้เข้า <เอ อ. S 1> ก็เลยเกิดความประมาทขึ้นก็หมายความว่าถ้าเป็นกิจที่ดีเนี่ยตัวที่มาทําให้ เป็นโทษะใช่มั้ยอยู่ในเครือโทษะ 3 กันความกลัวนั้นมันเกิดกับอารมณ์ที่เป็นอนิฐานลมของตัวนะแต่เมื่อกี้มึงก็ บางทีมันก็มาจากข้างในบางทีก็มาจากอารมณ์ข้างนอก ที่พูดให้ฟังนี่ก็เป็นแต่เพียงตามคิดดูพูดอย่างเท่าที่นึกได้กล่าวๆไอ้จริงๆอาจจะต้องประมาณ éit monken gëtt